อย่างถ้าเราทำสมถะอยู่เนี่ยสิ่งที่มันจะมาหลอกลวงเราก็คือพวกนิมิตทั้งหลายสารพันิมิตถ้าเราทำวิปัสสนาเนี่ยสิ่งที่จะมาหลอกลวงเราคือวิปั ส, สนูปะกิเลสเนี่ยมันมีอุปสรรคทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอาศัยสติอาศัยปัญญาอเอาตัวรอดผ่านไปให้ได้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 เป็นกลิ่นก็มีนั่งอยู่ได้กลิ่นดอกไม้บัง่งได้กลิ่นน้ำอบมัง่งได้กลิ่นเน่าๆบ้างคนสมัยก่อนนั่งสมาธิได้กลิ่นน้ำอบนั่นกว่าเทวดามาพวกเราทุกวันนี้ถ้าได้กลิ่นน้ำอบเราสรุปว่าผีมานิมิตมันมีสารพัดนะนั่งเราได้กลิ่นก็มีได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่น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 เห็นพระจุลามณีมวลดาวดึงแต่ละสำนักนะเห็นพระจุลามณีหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นเจดีย์คนละทรงกันแคลนนีแล้วแต่จิตมันจะปลูกของจริงมันก็มีของหลอกมันก็มากเอาเชื่อถือไรนักไม่ได้หรอกที่รายกว่านั้นคือนิมิตเห็นพระนิพพานคิดว่าไปเฝ้าพุทธเจ้าในพระนิพพานน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 นิพพานไม่มีรูปไม่มีนามอะไรหรอกมันเป็นบรมสุขเป็นความว่างที่เป็นบรมสุขไม่ใช่ว่างแบบกระจอกง่อยว่างเฉยๆว่างจากอะไรว่างจากกิเลสว่างจากขันว่างจากความปรุงแต่งว่างจากทุกข์ว่างจากสิ่งเหล่านี้เนเวลาที่นิมิตมันเกิดเวลานั่งสมาธินิมิตมันเกิดนเกิดได้ทั้ง6แบบทีิงๆก็ะระลึกไป ชาติก่อนเกิดเป็นโน้นเกิดเป็นนี่น้อจะเกิดเป็นคนใหญ่คนโตแนะที่เคยได้ยินชื่อในประวัติศาสตร์ไม่เกิดเป็นนายหมานายแมวอะไรนางโน้นนาง น, นี้ไม่เอานะเรงเกิดเป็นพระเดชเลสวรพระเอกาทศรสนะเกิดเป็นพระเจ้าอาโศกอะไรเนี่ยต้องเกิดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะเคยอ่านหนังสือได้ยินชื่อพวกนี้มานะ่าใจมันหลอนได้สารพัดเลยนะ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 ได้กลิ่นหอมได้กลิ่นน้ำอบได้กลิ่นผีเน่าอะไรอย่างเงี้ยได้กลิ่นอะไรขึ้นมากลัวอะไรีหรือสงสัยขึ้นมาย้อนมาดูจิตนิมิตทั้งหลายนะั้น่ะถ้าเราย้อนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะสติรู้ทันจิตจิตตั้งมั่นขึ้นมาเอ็นิมิตจอมปลอมทั้งหลายมันจะหายหายหมดเลยไม่มีสาระแก่นสารเพราะมันไม่ใช่ความจริง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 ให้ความดีเป็นอาบุตต่อสู้นะสุดท้ายเข้าพโมทนากับเรานะเวลาเราพอนาดีๆเขาก็มาสาธุนะครูบาอาจารย์ชอบเล่าว่าเขาอนุโมทนานโล ก, กาธาตุสะเทือนเลยนี่ยท่านเคยถามหลวงพ่อว่าโล ก, กาธาตุสะเทือนไหมศัตรูอีกตัวหนึ่งนะก็คือมิปัสนุปักกิเลส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 ถนัดแยกรูปก็แยกรูปไปเข้าฌานแล้วก็มาแยกรูปถ้าเข้าฌานไม่ได้ก็เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็พอแยกได้นิดหน่อยก็พอใช้ได้ก็ผ่านได้เหมือนกันหรือถนัดแยกนามธรรมนะเราก็เห็นนึงความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูความจำได้หมายรู้อยู่ส่วนนึงจิตเป็นคนดูความปรุงดีปรุงชั่วอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดู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 อย่างความโกรธเนี่ยเป็นตัวจริงๆล้ความรอบความหลงเนี่ยเป็นตัวจริงๆแล้วแยกต่อไปไม่ได้ละความโกรธก็คือความโกรธละเหมือนไฟเงี้ยไฟมันก็คือร้อนความร้อนก็คือไฟแยกต่อไปไม่ได้ละจะปร้อนมากร้อนน้อยก็คือไฟมากไฟน้อยโกรธมากโกรธน้อยก็คือโกรธนั่นแหละแยกต่อไปไม่ได้อันนี้เรียกว่าเข้าถึงตัวสภาวะจริงๆของรูปธ ร, รรมนมามธรรม สภาวะธรรมทั้งหมดนอะมีทั้งหมด72ตัว1คือจิตอีกอันหนึ่งคือนิพพานะมีรูปอยู่18รูปที่เหลือเป็นส่วนประกอบของจิต เ, เจตสิกแต่เราไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดหรอกนะอย่างรู้เท่าที่เรารู้ได้คนไหนขี้โกรธนะั่นเก็ให้เห็นนะความโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนะเป็นคนละอันกันตรงที่เห็นความโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเนี่ย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 รถนะมันดีนักเลยอะไรเงี้ยมาดูถูกเราว่าเราขับรถใช้น้ํามันตราเต่าอะไรเนะี่ยสมัยโบราณเนี่ยพอเราคิดอย่างนี้นะความโกรธมันจะขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันโกรธก็เพราะมันคิดอย่างนี้เองมันมีพยาบาทวิตกความท้อโกรธโกรธโกรธก็เกิดขึ้นถ้ามันมีกราร ม, มาวิตกนะมีกา ม, มาวิตกราคามก็เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นนะนั่นเราจะรู้เลยว่าสิ่งท่าไหลายไม่ได้มีลอยๆอยขึ้นมาหรอกทุกอย่างมันมีเหตุทั้งนั้นเลย แต่ตรงที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมานะตรงนี้ก็ยังไม่ถึงวิปัสสนานะะยังไม่ถึงวิปัสสนาแต่เราเริ่มจะสังเกตเห็นนะว่าเมื่อกี้โกรธนะตอนนี้ไม่ได้โกรธเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่ได้โกรธเมื่อกี้โลภตอนนี้ไม่โลภเนี่ยมันรู้สึกว่าสองอันนี้ไม่เหมือนกันเม่กี้นี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธก็สแสดงว่าความโกรธนี้ไม่เที่ยงนะถามว่าเห็นอย่างนี้เป็นวิปัสสนาหรือยังยัง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 วิปัสนาต้องเห็นตัวมันตัวเดียวนี่แหละแสดงความไม่เที่ยงนะซึ่งไม่ยากอะไรเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแค่นี้เองก็จน ะ, ะขึ้นวิปัสนาแต่ตรงที่เราขึ้นวิปัสนาแล้วเนี่ยวิปัสโนถึงจะเกิดถ้ายังไม่ขึ้นวิปัสนานะไม่มีวิปัสโนมีแต่นิมิตนจะกเกิดแต่นิมิตทั้งนั้นเลย keln, วิปัสโนเริ่มตอนที่เราทําวิปัสนาแล้วเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะ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 อยู่ที่สว่างเนี่ยดีว่าได้หลวงตามมหาบัวท่านแก่ใหนะ้ท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้ถ้าอย่างนี้หลวงพ่อพเข้ามาพุโทโธพุโทโธในจิตไม่ชอบพุโทโธจิตไม่ชอบพุโทโธนะมันเหมือนจิตจะแตกอึดอัดนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะทำไมท่านให้บริกรรมบอกว่าสมาธิเราไม่พอ ถ้ากลับมาทำสมาธิที่ตัวเองถนัดคือหายใจใช้อนาปนานสติหายใจไม่กี่ทีนะจิมันก็เข้าบ้านแนละ้วแทบเขียัวตัวเองเลยว่าไปหลงเพลิอนอยู่ในความว่างตั้งนานนยะงั้นอย่าไปเอาว่างนี้พอพอนาต่อมาเนี้ยศัตรูของเราก็คือไอวิปัสสุูเนียมี10ชนิดนะบางทีสติกล้าแข็งเกินไปก็ดุกระดิกรู้หมดเลยนอนหลับอะไรรู้สึกหมดเลยนะมอง ไปข้างหน้าเราเนี่ยเห็นอากาศข้างหน้าเนี่ยเป็นเม็ดเม็เมเมเลยเห็นเป็นจุดๆุดจุดจุดเลยดูอะไรเข้าไปนี่นเห็นมันแตกตัวออกมาเป็นจุดจุดเลยนะหรือบางทีก็เกิดตัญญามากนะอันนี้หลวงพ่อไม่เคยเป็นเพราะบางทีภาวนาแล้วฟุ้งในธรรมะเคยเจอไหมหลวงพ่อเปลี่ยนคําถามใครเคยเป็นภาวนาแล้วฟุ้งในธรรมะอยากพูดธรรมะทั้งวันเลยมีไหมยกมือซิยกมือสิ ให้รู้ทำนะอย่าไปหลงกลมันถ้าหลงกลมันก็พูดจ้อยๆๆ ย, ยไม่มีใครฟังก็มโมโหว่วาเข้าใจบาปหยาบช้าไม่ฟังธรรม ะ, ะที่จริงตัวเองถูกกิเลสหลอกไม่เห็นออกเนมันมีหลายตัวมีปัญญาแตกฉานมากเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะหลพ่อภาวนาเคยเป็นเรื่องปัญญาแตกฉานเนี่ยภาวนาแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความรู้ได้นะโอ้ยความรู้ตรงนี้ดีจังต้องจาไว้ เดี๋ยวภาวนาไปอีกมีความรู้อันใหม่ขึ้นมาอุ้ยอันนี้ต้องจําไว้นั้นแต่เรื่องขันทาศอยยตนะเรื่องอินทรีย์ย2่เรื่อ ง, 22, องปฏิจจสมุปบาทอุ้ยเรื่องเด็ดๆ เ, เท่านั้นนะเรื่องอริยศาสตร์เรื่องอะไรต่ออะไรจำจำจำไว้นะภาวนาอยู่ไม่กี่วันนะมีความรู้สึกเลยเหมือนเราไปไหนมาไหนเราแบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยมันเหนื่อยนะไปไหนก็แบกตู้ไปด้วยอ่ะอุ้ยไม่เอาแล้วไง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 ไม่มีสติเลยฟุ้งทั้งวันหรือสมาธิเสียหมดแล้วใจไม่ชอบเลยให้รู้เข้ามาที่ใจไม่ชอบแค่นี้เองจเจริญและเสื่อมไม่มีนยายยอะไรกับเราเราไม่ได้พาวนาเอาเจริญเ น, น, นี่ยมีคนปลิ้นมาให้หลวงพ่ออ่า น, นหลวงตามหาบัวนะท่านสอนเรื่องเนีเอาไว้ท่านเขียนเอาไว้นะเป็นจดหมายของท่านตั้งแต่เจ็ดธันวาสองพเนี่ยเมื่อกี้เดินผ่านมานะมีผู้หวังดีเอาไปยื่นให้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 เนยุคคณธทศูตร์นี่ต้องตัดทิ้งเองนะที่จริงแล้วพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยมาจากภาษาบอกทั้งหมดเหรอเพระาะภาษาบอกเป็นคนสังขยาณาพระเจ้าไม่ได้สังขยาณานะงั้นถ้าบอกห้ามฟังคําสอนของสาวกนั่นะก็คือทิ้งพระไตรปิฎกไปเลยนะในยุคคณธสูตร์เนี่ยยุคคณธทศูตรเนี่ยนะพระนนทสอนวิธีเจริญปัญญาว่าวิธีเจริญปัญญามี3วิธีนะใช้สมาธินําปัญญา ใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันหัวข้อที่สีที่ท่านสอนเนี่ยนะคือรำมุตทัตจักทำมุตทัตจักคือธรรมะอุทัตจักความฟุ้งซ่านในธรรมะสิประการก็คือตัววิปัสสนานั่นเองตอนที่หลวงพ่อหัดพอนายังขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นเนะี่งเป็นคราวาดอยู่นะนานแล้วตั้งแต่ทํางานใหม่ๆยังหนุ่มๆยังไม่เจอหลวงปู่ดูลนะไปอ่านตัวนี้อ่านไม่เข้าใจ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 ในที่ไม่ดีเราเข้าไปดูเราเห็นไม่ดีเราก็ไม่เอาไม่ยุ่งด้วยอยันหนึ่งก็ไปดูส่วใจจะไปเจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆอย่างโลบุเทศนนท่านก็เคยสอนโลบุเทศท่านสอนว่าเวลาวิปัสสนูเกิดนะให้ทําสมาธิเข้ามาถ้าสมาธิพอวิปัสสนูหายท่านว่าอย่างนี้มันตรงกับปริยัติเลยทั้งภาคปฏิบัติปริยัตนี่ตรงกันเป๊ะเลยนะงั้นมาเราภาวนานเนี่ย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 หลวงพ่อเนี่ยนักเลงผงผางพูดไม่ถูกใจหรืออยากจะชกมันเนียประเภทอย่างนี้เลยนะดูกว่ากันเยอะหลวงพ่อเทศใจดีคุณหญิงคุณนายเข้าไปเยอะมีผู้หญิงเป็นหนึ่งเข้าไปกราบท่านก็ถามว่าคุณหญิงเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรเงีย้ยคุณหญิงน่ะปลื่มมากเลยนะยิ้มเนี่ยเห็นเลยว่าเธอไปดึงหน้ามาหลายรอบแล้วเวลายิ้มเนี่ยรู้เลยล่ะหน้ามันผิดปกตินะยิ้มหวานเลย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 เพาอะไรเราลึกชาติไม่ได้นั่นเองใครเคยรู้สึกไหมว่าธรรมะอันนี้เคยเห็นมาแล้วความรู้สึกอย่างนี้เคยเกิดมาแล้วนะของอย่างนี้มันสะสมนะบุญบาปก็สะสมนะปัญญาที่เราได้สะสมไว้ในการภาวนามก็สะสมไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์ที่จะติดตัวเราเป็นอาริยะทรัพย์จริงๆนะบุญบาปทั้งหลายสติสมาธิปัญญาอนะไรพวกนี้สะสมไปแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเนี่ย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 ทำบันไดขึ้นเขาไปนะเขาบันชันชนัขึ้นยอดเขาได้ถีบบันไดทิ้งเลยถ้าพอนามไม่สําเร็จก็ขอตายอยู่บนเขานี้แหละเพราะท่านพระพาญาท่านตายจริงๆตายจริงๆพอนามไม่ได้ไม่ได้มักผลอะไรเพื่อนเพื่อนบางองค์ก็เป็นพระอรหันต์บางองค์ไม่ได้หนักขาได้นอนได้นี่มีท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ปรากฏว่าชาติเนี้ท่านได้กินธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่กี่ประโยชนนะท่านบนรรลุพระอรหันต์เลย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 ให้อนุโมทนาเราจะได้ได้บุญด้วยนะ เ, ออเขาภาวนาเข้ามาใช่เขาไม่ได้ไปขอใครมานะเขาทำของเข า, าเองของเราถ้าเราสะสมมาน้อยก็รู้สึกยากหน่อยแต่ไม่ไ ม, ไม่ท้อถอยเราทำไปนะไม่ได้ชาตินี้อาจจะได้ด้วยความเพียรของเรานี่แหละชาตินี้ยังไม่ได้ชาติหน้าก็า ง, ง่ายออต้องสู้นะอย่าขี้เกียจขี้คลานอย่าไปหลงกล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 ใช้ความสังเกตนะหลวงพ่อสู้มาเลือกความสังเกตเป็นส่วนใหญ่เพราะอยู่ตามลำพังบวชมา น, นอุปชาให้มาอยู่ที่บมืองกาญไม่ได้หนีมานะท่านให้มาแล้วท่านบอกว่าไม่อาบัติด้วยนะภิกษุไปทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยออกไปได้นะกราบนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อ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 ด้วยความรู้สึกมีความรู้สึกขึ้นในใจนะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาต้องต้องใช้ความคิดรวมด้วยใช่ต้อง<ม><ม>ใช้ค<ม>วา<ะ>มคิดช่วยนะเวลาที่ติดเฉยเนี่ยต้องใช้ความคิดช่วยเพื่อกระตุ้นให้จิตมันเคลื่อ น, นอย่าไปทำจิตให้นิ่งๆ น, น, นะไม่ดีมันรู้สึกตัวแต่ว่ามันเฉยอ ย, อ ย, อย่มันไม่เดินปัญญาเรียกว่ารู้ตัวนะแต่ไม่เดินปัญญา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 พอตอนนั้นพอเห็นไม่เกิดดับก็คือแต่ว่าใจมันก็แบบแล้วต่อไปจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะไรอย่างนี้ไปจะมันยังมีเราอยู่เราจะอยู่ไปเพื่ออะไรลราโลกนี้มีแต่เกิดกับดับใช่เราจะหาอะไรชีวิตนี้เหี่ยวเลยอันนั้นมันเป็นเาเรียกว่ามันเริ่มเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นโทษการที่เราเห็นเกิดดับเน่เรียกอุทยพยาญานตรงที่เราเห็นว่ามันหาสาระไม่ได้เลยมีแต่ทุกข์แต่โทษนะเป็นอาทินวาานิญาณ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 เราก็ถูกลงโทษแต่ว่าพอเราเพยายามจะเหมือนกับว่าพยายามจะเป็นคนดีเหมือนกับว่ายังพยายามจะ ป, ปฏิบัติวิปัสสนาก็จะมีตัวมาหลอกแบบที่หลวงพ่อเล่าคือมันมันพอจะสามารถอธิบายให้มนุษย์เข้าใจได้ไหมครับว่าทําไมเขาต้องเหมือนกับคุณอยู่ในเกมได้แต่ว่าคุณห้ามทามชั่วนะแต่คุณก็ห้ามออกจากเกมเ อ, อมานเนี่ยอยู่บนสวรรค์นะเพราะงั้นมานไม่ได้ชั่วแบบที่เราคิดหรอกนะไม่งัเป็นขึ้นสวรรค์ไม่ได้หรอก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 คนในโลกนะมันไม่ไม่ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็ดำรงชีวิตตามตามกันไปตามมาตรฐานสังคมถ้าทําตามมาตรฐานเขาได้เขาเขาว่าดีผิดมาตรฐานเ้าเขาว่าไม่ดีที่จริงมันก็คือมีการให้คุณให้โทษเพื่อให้เราอยู่ในกรอบการที่เราอยู่ในกรอบคือเราอย่าอย่าฝ่าออกจากวัฏฏานี้นะเง่อนการที่เรามีบุญบา ร, รมีนะถึงจะคิดอย่างนี้ได้ว่าทําไม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 ที่จริงแล้วในร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์สารพัดจะทุกข์เลยแต่คนทึ่งไม่มีสติไม่มีสมาธิมองไม่เห็นอย่างทำไมเขานั่งพัดกันเย่ง <laughs>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 แล้วก็เตือนเขานึกได้ไหมตอนนั้นเคยไปทําบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนี่นะกระตุ้นกระตุ้นอย่างเนี้ยให้คิดถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้รักษาจิตของเขาให้ดีนะเพรร่างกายรักษาไม่ได้แล้วให้หมอเขารักษาไปเราคอยประคับประคองไม่ให้เขาเศรา้าหมองอะค่ะแล้วถ้าจ น, จนจะไปแล้วนี่ถ้าเราเปิดธรรมะให้เขาฟังนี่จะเป็นการถ้าเขารลำคาญที่จะไปเปิดนะเดี๋ยวเขาเกลียดธรรมะยิ่งไปใหญ่เลย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 ปีแรกกับปีสองปีสองก็จะมีสติที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้นเราจะรู้ยาวขึ้นจะลงสั้นลงอื <c oughs> แล้วสิ่งที่ปฏิบัติส่วนใหญ่ผมจะใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมอื <c oughs> แล้วก็จะดูอายตนาทั้งหกว่าเขามีอะไรเด่นอย่างสมมติถ้ามีเสียงเด่นใจเขาอยากจะไปดูอ <c oughs> ที่หูอยากจะไปรับรู้อารมณ์ <c oughs> ไปเสำรวจอารมณ์ตรงนั้นเราก็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 ก็มีข้อสงสัยว่าผู้ที่เข้าฌานได้จะสามารถเห็นเหมือนกันหมดไหมครับบางคนเข้าไปก็เข้าไปเฉยๆนะไม่ไปเดินปัญญาอย่างคุณดาเกิืองเขาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเข้าฌา น, นแล้วก็เห็นองค์ฌานเกิดดับเขาเดินปัญญาในฌานาั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่เท่ากันนะบางคนเข้าไปพักนิ่ง ๆ, ๆเฉยๆอยู่กับนมัสการหลวงพ่อครับ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 วิญญชนมันก็รู้เองอะว่าถูกไม่ถูกผมชีวิตเราดีขึ้นนะกราบขอกันบ้านเพิ่มครับทําอีกกเราทําไปตลอดชีวิตแล้วนะส่วนคุณที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จนะอย่าให้เคร่งเครียดนะภาวนาต้องสบายสบายเครียดเครียหรือยิ่งช้ากภาวนาแบบไม่มีส่วนได้เสียดีที่สุดกลับนมัสการหลวงพ่อครับ คือปกติแต่ก่อนภาวนาดดูกายมาสักสาสี่อาทิตย์นี่จะเริ่มเปลี่ยนดูเวทนาดูจิตที่สุขทุกข์ไม่ทราบบาได้ไหมครับอืม hmm? คือเริ่มมาใช้ภาวนาดูเวทนาทางใจด้วยควบคู่ไปด้วยจะใช้ได้ไม่เป็นไ ร, ไรใช้ได้สังเกตไหมว่าภาพจิตใจในองค์รวมของเรามันดีขึ้นอ่ะถ้ามันภาวนาแล้วจิตใจมันพัฒนาขึ้นอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้ว ดูอะไรไม่สำคัญหรอกในกายเวทนาจิตธรรมมันใช้ได้ทั้งหมดอะเห็นไหมว่าทุกอย่างมันไม่คงที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆอของคุณภาวนาไปไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่หรอกอรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นก็แค่เห็นมีความรู้สึกมาความรู้สึกไป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 เพิง่งเพิ่งได้ส่งกันบ้านครั้งแรกเจ้าค่ะก็ห<น>เห็นหนูบ้านอยู่ที่ไหนภาวนาใช้ได้บ้านบ้านอยู่อยู่จงังหวัดไหนอยู่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะ อ, อใช้ได้แล้วล่ะภาวนาอยู่เทพก็มาฟังสาลาลุงชินนี่แหละสะดวกค่ะดูไหมกายกับใจโคนละอันเห็นเจ้าค่ะเ อ, อเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วก็อยู่ต่างหากหไม่ใช่ใจ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 มันหลอกเพราะฉะนั้นพอวันรังนี้มันมันผลักหนูก็ไม่ได้ไปก็ดูมันผักเฉยๆนี่ดูมันอยู่ที่วัดตามันอยู่ที่นี่ใช่ค่ะมันก็มันก็ดีขึ้นแล้วเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วงงว่าทําไมมีความสุขมากขึ้นจริงๆไม่ได้มีความสุขมากขึ้นแต่แค่ความทุกข์มันลดลงเอเพราะว่าสังเกตไหมยิ่งรู้ทุกข์นะะมันยิ่งมีความสุขนะทุกข์นี่หลวงพาอเสียดายนะอย่างครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะถ้าท่านอายุยืนๆนั้น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 ในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้แค่รอบเดียวครับมันขึ้นถี่มากถี่มากครับแล้วพอมันการที่เราอารัฒนาสีนอยู่บ่อยๆตลอดเวลาเนี่ยพอเวลามันจะผิดสีนนะครับมันมีตัวเนี้ยมันขึ้นมามาบล็อกโดยธรรมชาติของมันเองนะครับอย่างนั้นก็ใช้ได้นะ <c oughs> ใช้ได้แต่ว่าถือสินต้องระวังนหนึ่งมันจะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะชื่อวิปติสาร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 คือมันคือมันมันรักษาค่ะแว่าบางทีกิเลสมันขึ้นนะครับจากที่มันมันมากมากอ่ะมันเบาลงมันบางลงจนบอกว่าจนไม่ทำก็ได้เองนะครับแต่อย่าประมาทนะถ้าวันหนึ่งเราเจออะไรที่แรงๆอะมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะเพราะการละตัวเนี้ยยังไม่ใช่เป็นสมุทเฉดปหารนะไม่ได้ละด้วยอริยมรรคนะมันเป็นแค่ละด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วเราไม่ประมาท รู้สึกไปด้ด้วยดีแล้วล่ะถือศีลไว้ก็ปลอดภัยแล้วครับกล่าวสารหลวงพ่อค่ะ เ, เริ่มฟังซีดีหลวงพ่อได้สเดือนนะคะมีกัลยาณมิตรชักชวนมาที่สาราลุงชินนะคะก็เปิดฟังในรถขณะขับรถก็ภาวนาตามซีดีที่หลวงพ่อทราบว่าตัวเองเป็นโทสัจริตค่ะแล้วก็นอะไรนะ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 มาเตพวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาศีลิสนิจังวุธาปจจายโนจ ต, ตาโรโธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ